สีจตุกะบุคละบัญญัติร้อสาสบสองบุคคลผู้เป็นอสสปุรุษปรเป็นชนัยบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรามพูดเท็จเสพของมึนเมาคือสุราและเมไรัอันเป็นเหตุแห่งความประมาทบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอสสปุรุษร้อาสบาบุคคลผู้เป็นอสตบุรุษรที่ยิ่งกว่าอสสบุรุษปรเป็นชน บุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์ตนเองเป็นผู้ลักทรัพย์และชักชวนผู้อื่นให้ลักทรัพย์ตนเองเป็นผู้ประพฤติผิดในกลามและชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติผิดในกลามตนเองเป็นผู้พูดเท็จและชักชวนผู้อื่นให้พูดเท็จตนเองเป็นผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทและชักชวนผู้อื่นให้เสพของมึนเมา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 เป็นผู้เว้นข่าจากการเสดของหมื่นเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสัตว์ประุตรสาสิบห้าบุคคลผู้เป็นสัตว์ประุษที่ยิ่งกว่าสัตว์ุรหุษเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์ตนเองเป็นผู้เว้นข่าจากการลักทรัพย์ และชักชวนผู้อื่นให้เว้นข่าจากการลักทรัพย์ตนเองเป็นผู้เว้นข่าจากการประพฤติผิดในกามและชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาจากการประพฤติผิดในกลามตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการพูดเท็จและชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาจากการพูดเท็จตนเองเป็นผู้เว้นข่าจากการเสดของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทและชักชวนผู้อื่นให้เว้นข่าจากการเสพของมึนเมา คือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสัตว์ุรุษที่ยิ่งกว่าสัตว์บรุรุษ3 6บุคคลผู้เป็นคนชั่วเป็นไนะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามผู้เ ท, ท็จผู้ส่อเสียดผู้คัมยาผู้เพอเจอ้อโลภอยากได้ของผู้อื่นมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิ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 เป็นผู้เว้นขลาจากการพูดคำหยาบเป็นผู้เว้นขลาจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นคนดีร3 9บุ้คคลผู้เป็นคนดีที่ยิ่งกว่าคนดีเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้เว้นขลาจากการฆ่าสัตว์ และชักชวนผู้อื่นให้เว้นขลาจากการฆ่าสัตว์ตนเองเป็นผู้เว้นขลาจากการลักทรัพย์และชักชวนผู้อื่นให้เว้นขลาจากการลักทรัพย์ตนเองเป็นผู้เว้นขลาจากการประพฤติผิดในกลามและชักชวนผู้อื่นให้เว้นขลาจากการประพฤติผิดในกามตนเองเป็นผู้เว้นขลาจากการพูดเท็จและชักชวนผู้อื่นให้เว้นขลาจากการพูดเท็จตนเองเป็นผู้เว้นขลาจากการพูดส่อเสียด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 และชักชวนผู้อื่นไม่ให้มีจิตพยาบาทตนเองเป็นสัมมาทิฐิและชักชวนผู้อื่นให้เป็นสัมมาทิฐิบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นคนดีที่ยิ่งกว่าคนดีร้อยสี่สิบบุคคลผู้มีธรรมชั่วเป็นไงบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฐิบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีธรรมชั่วร้อยสี่บเอด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 บ y, word. Word writ, <group> yani ุคคลผู้ม be <ähän> ีธรรมดีเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาจากการลักทรัพย์เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีธรรมดีร้อสสบุคคลผู้มีธรรมดีที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมดีเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์ ตนเองเป็นสัมมาทิฏฐิและชักชวนผู้อื่นให้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีธรรมดีที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมดีร้อยสี่สี่บุคคลผู้มีแต่โทษเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยกายกรรมที่มีโทษประกอบด้วยวจีกรรมที่มีโทษประกอบด้วยมนโนกรรมที่มีโทษบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีแต่โทษร้อยสี่สิบห้า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 บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษเป็นส่วนมากมีโทษเป็นส่วนน้อยประกอบด้วยวจีกรรมที่ไม่มีโทษเป็นส่วนมากมีโทษเป็นส่วนน้อยประกอบด้วยมโนกรรมที่ไม่มีโทษเป็นส่วนมากมีโทษเป็นส่วนน้อยบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีโทษเป็นส่วนน้อยร้อยสี่สิบเจ็ดบุคคลผู้ไม่มีโทษเป็นไน บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษประกอบด้ยวยวจีกรรมที่ไม่มีโทษประกอบด้วยมนโนกรรมที่ไม่มีโทษบุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่มีโทษร้อยสี่สิบแปบุคคลผู้เป็นอุคติตันยูเป็นไนบุคคลใดบรรลุธรรมพร้อมกับเวลาที่ท่านยกหัวข้อขึ้นแสดงบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอุคติตันยูร้อยสี่สิบเก้า บุคคลผู้เป็นวิปจิตันยูเป็นไนบุคคลใดเมื่อเขาอธิบายเนื้อความแห่งภาสิทธโดยย่อให้พิดารจึงบรรลุธรรมบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นวิปจิตันยูร้อยห้าสิบบุคคลผู้เป็นเนยะเป็นไนบุคคลใดบรรลุธรรมโดยลำดับอย่างนี้คือโดยการแสดงการถามการมนุิยการโดยแยบคลายการเสดการครบการเข้าไปนั่งใกล้กระยานมิตร บุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นเนยะร้อยห้าสิบเอ็ดบุคคลผู้เป็นปัฏฐปะป a r ะเป็นไนบุคคลใดฟังก็มากกล่าวก็มากทรงจำก็มากบอกสอนก็มากแต่ไม่ได้บรรลุธรรมในชาตินั้นบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นปัฏฐปะปร้อยห้าสิบสองบุคคลผู้ตอบได้ถูกต้องแต่ไม่รวดเร็วเป็นไน บุคคลบางคนในโลกนี้ถูกถามปัญหาย่อมตอบได้ถูกต้องแต่ไม่รวดเร็วบุคคลนี้เรียกว่าผู้ตอบได้ถูกต้องแต่ไม่รวดเร็วร้อยห้าสิบสามบุคคลผู้ตอบได้รวดเร็วแต่ไม่ถูกต้องเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกถามปัญหาเพราะตอบได้รวดเร็วแต่ไม่ถูกต้องบุคคลนี้เรียกว่าผู้ตอบได้รวดเร็วแต่ไม่ถูกต้องร้อยห้าสิบสี่ บุคคลผู้ตอบได้ถูกต้องและรวดเร็วเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกถามปัญหาย่อมตอบได้ถูกต้องและรวดเร็วบุคคลนี้เรียกว่าผู้ตอบได้ถูกต้องและรวดเร็วร้อยห้าสิบห้าบุคคลผู้ตอบได้ไม่ถูกต้องและไม่รวดเร็วเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกถามปัญหาย่อมตอบได้ไม่ถูกต้องและไม่รวดเร็วบุคคลนี้เรียกว่า ผู้ตอบได้ไม่ถูกต้องและไม่รวดเร็วร้อยห้าสิบหในบทมาติกานั้นบุคคลผู้เป็นธรรมกตะเถรสี่จำพวกเป็นไงหนึ่งธรรมกรถึกบางคนในธรรมวินัยนี้กล่าวธรรมน้อยและไม่มีประโยชน์ทั้งหมู่ผู้ฟังก็ไม่ฉลาดในเรื่องที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ธรรมกตะเถรเช่นนี้นับว่าเป็นธรรมกตะเถรสำหรับผู้ฟังเช่นนี้เหมือนกันสอง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 ในบทมาติกานั้นบุคคลเปรียบเหมือนเมฆสีจำพวกเป็นไงเมฆสีชนิดคือหนึ่งเมฆที่คำรามแต่ไม่ให้ฝนตกสองเมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คำรามสามเมฆที่คำรามและให้ฝนตกสี่เมฆที่ไม่คำรามและไม่ให้ฝนตกบุคคลเปรียบเหมือนเมฆสีจำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกันบุคคลสีจำพวกเป็นไน หบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามแต่ไม่ให้ฝนตกสองบุค <course S 1> คลเปรียบเหมือนเมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คำรามสบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามและให้ฝนตกสบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ไม่คำรามและไม่ให้ฝนตกบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามแต่ไม่ให้ฝนตกเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ชอบพูดแต่ไม่ทำ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 บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนเมฆที่มีคารามและไม่ให้ฝนตกบุคคลเปรียบเหมือนเมฆสีจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกันร้อยห้าสิบปดในบทมาติกานั้นบุคคลเปรียบเหมือนหนูสีจำพวกเป็นไ น, นหนูสีจำพวกคือหนึ่งหนูขุดรูแต่ไม่อยู่สองหนูอยู่แต่ไม่ขุดรูสาม หนูขุดรูและอยู่สี่หนูไม่ขุดรูและไม่อยู่บุคคลเปรียบเหมือนหนูสี่จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกันบุคคลเปรียบเหมือนหนูสี่จำพวกเป็นไงหนึ่งบุคคลเปรียบเหมือนหนูขุดรูแต่ไม่อยู่สองบุคคลเปรียบเหมือนหนูอยู่แต่ไม่ขุดรูสาบุคคลเปรียบเหมือนหนูขุดรูและอยู่สี่ บุคคลเปรียบเหมือนหนูไม่ขุดรูและไม่อยู่บุคคลเปรียบเหมือนหนูขุดรูแต่ไม่อยู่เป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เรียนธรรมคือสุตตะเคยะเวยยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทันละแต่เขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุเกิดแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนหนูขุดรูแต่ไม่อยู่บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนหนูที่ขุดรูแต่ไม่อยู่บุคคลเปรียบเหมือนหนูอยู่แต่ไม่ขุดรูเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เรียนธรรมคือสุตตะเฮยะเวยากรณนะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทันละแต่เขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุก นี้เหตุเกิดแห่งทุกนี้ความดับทุก์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก์บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนหนูอยู่แต่ไม่ขุดรูบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนหนูที่อยู่แต่ไม่ขุดรูบุคคลเปรียบเหมือนหนูขุดรูและอยู่เป็นไ น, นบุคคลบางคนในโลกนี้เรียนธรรมคือสุตตะเครยะเวยยากรณะคาถาอุทานหิติอุตตกะชาตกะ อภูตธรรมเวทันละและเขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุเกิดแห่งทุก์นี้ความดับทุกขนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนหนูขุดรูและอยู่บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนหนูที่ขุดรูและอยู่บุคคลเปรียบเหมือนหนูไม่ขุดรูและไม่อยู่เป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เรียนธรรมคือสุตตะเครยะ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 บุคคลเปรียบเหมือนหนูสีจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกร้อยห้าสิบเก้าในบทมาติ ก, กานั้นบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสีจำพวกเป็นไนมะม่วงสีชนิดคือหนึ่งมะม่วงดิบแต่ผิวสุกสองมะม่วงสุกแต่ผิวดิบสามะม่วงดิบและผิวดิบสี่มะม่วงสุกและผิวสุก บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสีจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกันบุคคลสีจำพวกเป็นไงหนึ่งบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบแต่ผิวสุกสองบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกแต่ผิวดิบสามบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบและผิวดิบสี่บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุกบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบแต่ผิวสุกเป็นไน บุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู้เข้าการเหยียดออกการครองสังคาติบาทและจีวร น, น่าเลื่อมใสแต่เขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุเกิดแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติใหถึงความดับทุกบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนมะม่วงดิบแต่ผิวสุก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 นื้อข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนมะม่วงสุกแต่ผิวดิบบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนมะม่วงสุกแต่ผิวดิบบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบและผิวดิบเป็นไงนะบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังคาติบาศและจีวรที่ไม่น่าเลื่อมใส และเขาไม่รู้ชาตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนี้เหตุเกิดแห่งทุกขนี้ความดับทุก์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนมะม่วงดิบและผิวดิบบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนมะม่วงดิบและผิวดิบบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุกเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลีวดู การคูเข้าการเหยียดออกการคลองสังคาติบาทและจีวรที่น่าเลื่อมใสและเขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุก์นี้เหตุเกิดแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุกบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุกบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสีชมพูเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก ร้อยหกสิบในบทมาติกานั้นบุคคลเปรียบเหมือนหม้อสีจำพวกเป็นไนหม้อสีชนิดคือหนึ่งหม้อเปล่าแต่ปิดฝาสองหม้อเต็มแต่เปิดฝาสามหม้อเปล่าและเปิดฝาสี่หม้อเต็มและปิดฝาบุคคลเปรียบเหมือนหม้อสีจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกันบุคคลสีจำพวกเป็นไงหนึ่ง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 การแลดูการเหลียวดูการคูเข้าการเหยียดออกการครองสังคาติบาทและกีวรที่ไม่น่าเลื่อมใสแต่เขารู้แช่ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกและถึงเนื้อข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนหม้อตเต็มแต่เปิดฝาบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนหม้อเต็มแต่เปิดฝาบุคคลเปรียบเหมือนหม้อเปล่าและเปิดฝาเป็นไน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 บุคคลเปรียบเหมือนหม้อเต็มและปิดฝาเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคูเข้าการเหยียดออกการคลองสังคาติบาดและจีวรที่น่าเลื่อมใสและเขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกและถึงนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนหม้อเต็มและปิดฝา บุคคลประเภทนี้จึงเปรตเหมือนหม้อเต็มและปิดฝาบุคคลเปรบเหมือนหม้อสีจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกร้อยหกสิบเอ็ดในบทมาติกานั้นบุคคลเปรตเหมือนห่วงน้ำสีจำพวกเป็นไน ข่วงน้ำสีชนิดคือนหนึ่งข่วงน้ําตื้นแต่เงาลึกสองข่วงน้ําลึกแต่เงาตื้นสามข่วงน้ําตื้นและเงาตื้นสี่ข่วงน้ําลึกและเงาลึกบุคคลเปลียนเหมือนห่วงน้ำสีจาพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกันบุคคลสีจาพวกเป็นไงหนึ่งบุคคลเปลี่ยนเหมือนห่วงน้ําตื้นแต่เงาลึก สบุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้ำลึกแต่เงาตื้นสบุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้ำตื้นและเงาตื้นสบุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้ำลึกและเงาลึก 4. บุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้ำตื้นแต่เงาลึกเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลีวดูการคูเข้าการเหยียดออกการครองสังขาติบาศและชีวรที่น่าเลื่อมใส แต่เขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์และถึงนี้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนห่วงน้ำตื้นแต่เงาลึกบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนห่วงน้ำตื้นแต่เงาลึกบุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้าลึกแต่เงาตื้นเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลีวดูการคู้เข้าการเหยียดออก การครองสังขาติบาตรและจีวรที่ไม่น่าเลื่อมใสแต่เขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกเนื้อข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนห่วงน้ำลึกแต่เงาตื้นบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนห่วงน้ำลึกแต่เงาตื้นบุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้ำตื้นและเงาตื้นเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดู การเหลวดูการคู้เข้าการเหยียดออกการครองสังคาติบาทและจีวรที่ไม่น่าเลื่อมใสและเขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนห่วงน้ําตื้นและเหงาตื้นบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนห่วงน้ําตื้นและเงาตื้นบุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้ํนลา ล, ลึกและเงาลึกเป็นไน บุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแหลดูการเหลียวดูการคู้เข้าการเหยียดออกการครองสังคาติบาตและจีวรที่น่าเลื่อมใสและเขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขเนื้อข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนห่วงน้าลึกและเงาลึกบุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้ำสีจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก รสองในบทมาติกานั้นบุคคลเปรียบเหมือนโขโพสี่จำพวกเป็นไนโขโพสี่จำพวกคือหนึ่งโขโที่ข่มเหงโคฝูงตนแต่ไม่ข่มเหงโคฝูงอื่นสองโขโที่ข่มเหงโคฝูงอื่นแต่ไม่ข่มเหงโคฝูงตนสโคผูโที่ข่มเหงโคฝูงตนและข่มเหงโคฝูงอื่นสี่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 เปรียบเหมือนโคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงอื่นแต่ไม่ข่มเหงโคฝูงตนบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนโควู้ที่ข่มเหงโคฝูงอื่นแต่ไม่ข่มเหงโคฝูงตนบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงตนและข่มเหงโคฝูงอื่นเป็นไ น, นบุคคลบางคนในโลกนี้ทําให้บริษัทของตนและบริษัทของคนอื่นหวาด ก, กลัวบุคคลเช่นนี้ เปรียบเหมือนโคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงตนและขมเหงโคฝูงอื่นบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนโควู้ที่ขมเหงโคฝูงตนและขมเหงโคฝูงอื่นบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ไม่ข่มเหงโคฝูงตนและไม่ขมเหงโคฝูงอื่นเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ทําให้บริษัทของตนและบริษัทของคนอื่นหวาดกลัวบุคคลเช่นนี้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 อสรพิษที่มีพิษแล่นเร็วแต่พิษไม่ร้ายแรงสองอสอรพิษที่มีพิษร้ายแรงแต่พิษไม่แล่นเร็วสามอสอรพิษที่มีพิษแล่นเร็วและพิษร้ายแรงสี่อสรพิษที่มีพิษไม่แล่นเร็วและพิษไม่ร้ายแรงบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษีสี่จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกันบุคคลสี่จำพวกเป็นไงหนึ่ง บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษแล่นเร็วแต่พิษไม่ร้ายแรง 2. บุคลลบคลเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษร้ายแรงแต่พิษไม่แล่นเร็ว 3. บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษแล่นเร็วและพิษร้ายแรง 4. บุคลลบคลเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษไม่แล่นเร็วและพิษไม่ร้ายแรงบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษแล่นเร็วแต่พิษไ <i> ม่ร้ายแรงเป็นจไหน บุคคลบางคนในโลกนี้โกรธบ่อยๆแต่ความโกรธของเขาไม่คงอยู่นานบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนอสารพิษที่มีพิษแล่นเร็วแต่พิษไม่ร้ายแรงบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนอสารพิษที่มีพิษแล่นเร็วแต่พิษไม่ร้ายแรงบุคคลเปรียบเหมือนอสารพิษที่มีพิษร้ายแรงแต่พิษไม่แล่นเร็วเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อโกรธบ่อยนักแต่ความโกรธของเขาคงอยู่นาน บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนอสารพิษที่มีพิษร้ายแรงแต่พิษไม่แล่นเร็วบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนอสารพิษที่มีพิษร้ายแรงแต่พิษไม่แล่นเร็วบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษแล่นเร็วและพิษร้ายแรงเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้โกรธบ่อยๆและความโกรธของเขาคงอยู่นานบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนอสารพิษที่มีพิษแล่นเร็วและพิษร้ายแรง บุคคลประเภทนี of of in in True, <t os> <t os ้จึงเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษแล่นเร็วและพิษร้ายแรงบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษไม่แล่นเร็วและพิษไม่ร้ายแรงเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อโกรธปล่อยนักและความโกรธของเผาไม่คงอยู่นานบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษไม่แล่นเร็วและพิษไม่ร้ายแรงบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษไม่แล่นเร็วและพิษไม่ร้ายแรง บุคคลเปรตเหมือนอสรพิษสีจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกร้อยหกสิบสี่บุคคลไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองแล้วกล่าวสรรเสริญผู้ควรติเตียนเป็นฉไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้กล่าวสรรเสริญผู้ดีระถีสาวกดีระถีผู้ปฏิบัติชั่วปฏิบัติผิดว่าปฏิบัติ ด, ดีบ้างปฏิบัติช่อบ้างบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรอง แล้วกล่าวสรรเสริญผู้ควรติเตียนบุคคลไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองแล้วกล่าวติเตียนผู้ควรสรรเสริญเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่าปฏิบัติชั่วบ้างปฏิบัติผิดบ้างบุคล ค, ชชบบบคลเช่นนี้ชื่อว่าไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองแล้วกล่าวติเตียนผู้ควรสรรเสริญ บุคคลไม่พิจารณาไม่ตรายตรองแล้วแสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้แสดงความเลื่อมใสในข้อปฏิปทาชั่วในข้อปฏิปทาผิดว่าข้อปฏิปทาดีข้อปฏิปทาชอบบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าไม่พิจารณาไม่ตรายตรองแล้วแสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใส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 บุคคลพิจารณาไตรตรองแล้วกล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้กล่าวติเตียนผู้ดิรฐีสาวกของดิรฐีผู้ปฏิบัติชั่วปฏิบัติผิดว่าปฏิบัติชั่วบ้างปฏิบัติผิดบ้างบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าพิจารณาไตรตรองแล้วกล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนบุคคลพิจารณาไตรตรองแล้วกล่าวสรนเสริญผู้ควรสรเสริญเป็นไน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 แสดงความไม่เลื่อมใสในข้อปฏิปทาชั่วข้อปฏิปทาผิดว่าข้อปฏิปทาชั่วบ้างข้อปฏิปทาผิดบ้างบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าพิจารณาตร่ยตรองแล้วแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสบุคคลพิจารณาตร่ตรองแล้วแสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้แสดงความเลื่อมใสในข้อปฏิปทาดี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 บุคคลกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การแต่ไม่กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ควรสรรเสริญก็มีควรติเตียนก็มีในสองคนนั้นผู้ใดควรสรรเสริญก็กล่าวสรรเสริญผู้นั้นตามความเป็นจริงเหมาะแก่การผู้ใดควรติเตียนก็ไม่กล่าวติเตียนผู้นั้นตามความเป็นจริงเหมาะแก่การ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 บุคคลไม่กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การและไม่กล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ควรสรรเสริญก็มีควรติเตียนก็มีในสองคนนั้นผู้ใดควรติเตียนก็ไม่กล่าวติเตียนผู้นั้นตามความเป็นจริงเหมาะแก่การผู้ใดควรสรรเสริญก็ไม่กล่าวสรรเสริญผู้นั้นตามความเป็นจริงเหมาะแก่การ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 เป็นตระกูลยากจนมีข้าวน้ำและสิ่งของเครื่องใช้น้อยเป็นไปอย่างฝืดเคืองเป็นแหล่งที่หาของหินและเครื่องนุ่งห่มได้ยากและเขามีผิวพันธุ์หมอนหมองไม่น่าดูต่ำเตี้ยมีความเจ็บป่วยมากตาบอดเป็นง่อยเป็นคนกระจอกหรือเป็นโรคอัมพาตมักไม่ได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูไลที่นอนที่พัก และเครื่องประทีบเขายังประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแค้์นประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกบุคคลผู้มืดมาและมืดไปเป็นอย่างนี้บุคคลผู้มืดมาแต่สว่างไปเป็นไนะบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทาน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 ผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักเครื่องประทีปแต่เขาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมนุสสุจริตครั้นประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมนุสสุจริตแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์บุคคลผู้มืดมาแต่สว่างไปเป็นอย่างนี้บุคคลผู้สว่างมาแต่มืดไปเป็นฉไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูงคือตระกูลขติยามหาศาลตระกูลพราหมมหาศาลหรือตระกูลขะปดีมหาศาลเป็นตระกูลมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมายมีเครื่องใช้ที่น่าปลื้มใจมากมายมีทรัพย์และธัญชาติมากมายและเขามีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีชวีวันผุดผ่องยิ่งนัก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 ร้อหกสิบเก้าบุคคลผู้ต่ำมาและต่ำไปเป็นไงนละถึงบุคคลผู้ต่ำมาและต่ำไปเป็นอย่างนี้บุคคลผู้ต่ำมาแต่สูงไปเป็นไนบุคคลผู้ต่ำมาแต่สูงไปเป็นอย่างนี้บุคคลผู้สูงมาแต่ต่ำไปเป็นไนบุคคลผู้สูงมาแต่ต่ำไปเป็นอย่างนี้บุคคลผู้สูงมาและสูงไปเป็นไน บุคคลผู้สูงมาและสูงไปเป็นอย่างนี้ร้อยเจ็ดสิบในบทมาติกานั้นบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้สี่จำพวกเป็นไนต้นไม้สีชนิดคือหนึ่งต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมสองต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมสต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมสี่ ต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้สี่จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกันบุคคลสี่จำพวกเป็นฉไฉหนึ่งบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมสองบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมสาม